พระธรรมเทศนาแผ่นที่73าลำดับที่24โดยหลวงพ่ออินทายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่20มกราคม2558มีชื่อเรื่องว่าวินัยเป็นบ้านสติปัฐานเป็นตัวเดิน วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบมกราคมพุทธศักราช25งพห้าบแวันนี้เป็นวันอุโบสถเมื่อวานเป็นวันพระแต่วันอุโบสถตกวันนี้วันนี้เป็นวันเดือนดับเดือนสิบสองดับเดือนสองดับสนิทแล่วเพราะนั้นพวกเราจะได้ลงอุโบสถในเที่ยงวันนี้ เมื่อลงอโบสดเรียบร้อยแล้วก็ควรจะฟารบเรื่องหลักธรรมพินัยเรื่องกฎระเบียบที่พวกเราควรจะได้รับรู้รับทราบร่วมกันเพราะหลักธรรมวินัยไม่ใช่ของผมและไม่ใช่ของผู้ใดผู้ของผู้ใดใครผู้หนึ่งแต่เมื่อองค์หนึ่งพูดขึ้นมาลวพวกเราก็ฟัง เ, เมื่อฟังไปแล้ว ถูกถูกหรืผิดเราก็จะต้องตันไกกรองไตรตองอีกถ้ามันผิดเนี่ยเราก็พร้อมที่จะทวงติงขึ้นมาท่านเข้าใจผิดแล้วช่วงนี้เรื่องนั่นถ้ามันโทกเราก็ฟังเออเป็นเครื่องประสานความพร้อมเพียงสมากีถ้าเราไม่พูดเรื่องหลักธรรมพินัยเฉลยต่างคนก็ต่างอยู่ก็าห่างเหินไปเรื่อยเหมือนกับหลักธรรมพินัยเนี่ยเป็น อยู่นอกจากพวกเราแต่ที่แท้หายใจเข้าหายใจออกมันเรื่องหลักธรรมวินัยทั้งนั้นถ้าพระพระไม่มีศีลไม่มีวินยัยอยู่ในตัวแล้วก็จะเป็นพระได้อย่างไรจะเป็นผู้งสงศินีลได้อย่างไรเพราะนั้นศีลและวินัยอยู่กับพวกเราทุกทุกข้าวย่างถึงจะหลับจะนอนจะตื่นยังไงก็ตามศีลและวินัยก็ยังคุ้มของพวกเราอยู่ แต่โลกสมัยทุกวันช่วงนี้นะไม่ว่าทางโลกทางโลกทางประเทศชาติทางศาสตร์พุทธศาสนาเราไม่ว่าศาสนาอื่นประเทศชาติทางศาสนาทางประเทศชาติคนเรื่องเล่าอะไรต่อมีอะไรเรื่องจำ侬เข้าจำงคงจำงข้าวกฎหมาย ฟังฟังรูง้แล้วก็ยุ่งเหยิงวุ่นวายพอสมควรต้องมาฝ่ายพระฝ่ายปกครองก่อเรื่องเงินเรื่องทองอีกต้องฝ่ายพระกรรมฐานก็เรื่องอะไรกาม ก, กิเลสอีกสรุปแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่ไม่กี่วันมาเนี่ยเป็นเรื่องที่สลับวนวุ่นวาย หลวงพ่อว่านะผมว่านะถ้าผมไม่พูดพวกท่านทั้งหลายก็คงจะไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่เพราะว่าพวกท่านทั้งหลายเป็นไม่ได้สนใจไม่ได้รับข่าวแต่ผมเนี่ยเป็นอยู่เป็นหัวหน้าใครมาก็มาพูดมาบอกเล่าให้ฟังอธิบายให้ฟังผมก็ได้รับรู้รับทราบจากนั้นผมเมื่อได้รับรับรู้รับทราบแล้วควรจะทายทอด ให้แก่ผู้ที่อยู่ใกล้อย่างวันอุโบสถวันนี้ละ่ะกับผู้ไทยฟังเออพวกเราท่านทั้งหลายโลกกําลังยุ่งเหยิงวุ่นวายไม่เรื่องอะไรต่อไม่อะไรสรุปแล้วก็คือเรื่องกิเลสพอผู้ไทยเจ้าว่ากิเลสราคะโทสะโมหะถ้าหากว่าเรื่องการเงินกับเรื่องความโลกระเรื่องกามกิเลส เรื่องราคะนะมันก็ไม่หนีจากสองเรื่องแต่ตามไม่จริงเรื่องของพระเนี่ยมันเป็นเรื่องของเรื่องใหญ่ๆพวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นพระในพระพุทธศาสนาให้สํารวมระวังเอาไว้เรื่องหนึ่งก็เรื่องผู้หญิงเรื่องการมาลาคะหรือเรื่องกิเลสเรื่องราคะจะเป็นผู้หญิงก็ตามจะเป็นผู้ชายก็ตามะ แต่สรุปแล้วก็คือเรื่องการมราคะอันที่สองก็เรื่องการเงินเป็นมุลทินของปลาให้สังเกตให้ส้ำรวมระวังเอาไว้ให้ระวังในจุดนี้นะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็ให้ระวังเพราะพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าเรื่องเงินคืออสรพิษนั่นอสรพิษอานนท่านไม่ได้พูดอย่างอื่นคืออสุรพิษ ที่จะสามารถที่จะฉกอันตรายกับผู้ที่เขาไปเกี่ยวข้องโดยที่ไม่ระมัดระวังถ้าระมัดระวังแล้วก็รู้จัก เ, เราได้มาโดยชอบทำใช้ไปโดยชอบทำใช้ไปเพื่ออะไรให้มันถูกต้องให้ไม่เป็นธรรมให้เป็นวิ น, นัยสงเคราะห์อนุเคราะห์โลกสงเคราะห์อนุเคราะห์วัดวาศาสน า, าสงเคราะห์อนุเคราะห์ผู้ที่จำเป็น มีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนแบ่งสรรปันส่วนอย่างไรอันนี้พวกเราจะต้องคิดแต่ถ้าว่าโลกโหโมกนะไปมากก็นั่นละผลมนทินก็จะตามมาแต่ตามพ่จริงเรื่องทั้งหลายทั้งปวงผมว่าถ้าว่าถ้าระลึกถึงความตายนะคิดว่าตัวเองจะตาย อีกสักวันไม่รู้ว่าวันไหนล่ะตัวเองจะตายนะความโลภความนี้นะมันลดลงมากนะถ้าไม่คิดว่าตัวเองจะตายจะคลองโลกอยู่ตลอดไปความโลภตรนี้มันจะท่วีคูณ อ, อ, อยู่ในหัวใจของพวกเราท่านทั้งหลายไม่รู้ไม่รู้จักพอพอคิดว่าตัวเองจะไม่ตายแต่ถ้าคิดว่าตัวเองจะตายนียมันจะ ระงับตอนนี้หลงได้จะรู้จักประมาณในการบริหารอท่ไหมครัแบแล้วลึกถึงความตายสบายนักหากรักหักหลงในสงสารหากโลคหักโกรธหักหลงในสงสาร เ, เพราะว่าคิดว่าตัวเองจะต้องออตายอยู่แล้วจะไปสะสมอะไรามากมายนักหนาถ้าเรายิ่งเราเป็นพระเอเราก็รู้จัก หน้าที่ของเราเราจะทําอย่างไรม่จึงจะถูกต้องเหมาะสมเป็นธรรมออันนี้ก็คือเราเป็นเป็นพระได้มาโดยเป็นธรรมใช้จ่ายโดยเป็นธรรมแบ่งปันโดยเป็นธรรมก็ไม่น่ามีปัญหาแต่ถ้าว่าเราทําออกนอกลูกนอกทางสแสวงหาจนยิ่งกว่าฆรวาสญาติโยมซะอีกมันก็ไม่ใช่เรื่อง แต่ว่าแสวงหาไปนั้นเพื่ออะไรอย่างหลวงตาท่านแสวงหาทองคําท่านเอาให้ใครท่านแสวงหาให้ให้คลังหลวงออให้ประเทศชาติให้พวกเราท่าใค่ท่านเป็นหลักพี่น้องประชาชนถวายท่านเมื่อท่านเสร็แล้วท่านก็มอบให้กับกลังหลวงอจนเป็นกลักเป็นฐานทุกวันในทองคําอยู่ในคลังหลวงทั้งสิบสามปันกว่านี่แหละอันนี้ก็คือ ท่านแสวงหาให้ใครให้กับคนทั้งชาติอันนี้ก็คือการโศแสวงหากาที่จ ะ, ะรับที่จ ะ, ะที่จะระงับความโกลความโลภลงได้นะี่คืออะไรนี่ต้องหมั่นร ะ, ะลึกถึงมรณะภัยคือความตายแต่ทางนี้ทางนั้นเราระลึกถึงได้แล้วไม่ใช่ว่าเราจะปะอ่อนปวกเปียกจะไม่ทำมาเลยอะไรเลยไม่ได้ มันมีความเข้มแข็งอยู่ในตัวของมันนะ่ยถ้ามีปัญญานะถ้าความโง่ซะอย่างถ้าคิดอะไรก็ไปหน้าเดียวนะถ้าคิดถึงความตายแล้วก็ปวกเปียกหอหัวไม่ขึ้นจนไม่อยากจะทําอะไรเลยอันนั้นก็นะั่นแหะคนประเภทเนี่าโง่แต่ถึงยังไงถะาลึกถึงความตายก็คึงข้าพเจ้าจะทําประโยชน์อะไรให้เกิดขึ้นได้ในชุมชนสังคมประเทศชาติต่อโลก ในขณะที่ข้าพรเจ้ายัางมีชีวิตอยู่เนี่ยวันหนึ่งสองวันเดือนหนึ่งสองเดือนปีหนึ่งสองปีจนถึงจนจะถึงวันสิ้นชีวิตถึงวันตายของข้านะข้าจะทําอะไรให้เกิดประโยชน์ที่สุดแต่สิ่งไหนที่มันมันไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมวินัยเดือดร้อนคนอื่นเขาข้าจะไม่ทําในเรื่องนั้นอันนี้แหละคือคนที่เราพวกเราให้ใช้ปัญญา คือให้รู้จักการวางตัวให้จักการดําเนินการอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่ว่าค น, คนที่มีความโลภในใจให้เราลึกถึงความตายไว้แต่คนที่มีการมร า, าคะจะทํำยังไงพระพุทธเจ้าจะต้ให้พิจารณาอาสุภะอสุภะคือปฏิกูลของไม่สวยงามมันจะมีอะไรในร่างกายของเราแยกแยะแยกส่วนแบ่งส่วนดูซั ตั้งแต่หัวจดเท้าของเรานะมีอะไรบ้างเกษาผมโลมาขนนขขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าและมันเป็นอะไรสวยงามไหมน่ารักไข้ไหมชอบใจไหมถ้าเราพิจารณาเห็นอสุภป ฏ, ฏิกูลอย่างนี้แล้วนะกิเลสตัว น, นั้นมันก็จะต้องล่นถอยไปอีก แต่เมื่อเราไม่คิดนะมันไม่คิดนะมันย่องย่องเข้ามาที่หลังเราเนะมันปกเสกนะมันเสกสรร น, นะเอ อ, อันนั้นก็สวยอันนี้ก็งามเพที่สุดกรกรรมมกิเลสกามรมวลาคานะนอมันกำเริบเสบสารขึ้นมาในจิตในใจมันทําความชั่วช้าเสียหายได้ทั้งนั้นเพราะเหตุใดเพราะเราไม่ได้พิจารณาถึงอสุภะ อย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสเอาไว้เพราะนั้นเรื่องถ้าพวกเรามีใจพิจารณาอสุภะปฏิกรูนมองเห็นกระดูกตัวเองหยุดตลอดวันเห็นแต่ความโสโครกในร่างกายอสุภะในร่างกายของเร า, เาดูเข้าไปในท้องแหวะท้องเข้าไปเห็นแต่ลำไสเ้เป็นขดๆอยู่นั้น เ, เข้าไปเห็นแต่กระดูกของเรานะเน่ย เป็นยังไงอันนี้ก็คือหน้าที่ของพระกรรมฐาน <c oughs> หน้าที่ของพระกรรมฐานที่เรามาอยู่ข้างในแล้วเสียสละทางโลกออกมาแล้ว <c oughs> เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องคิดพิจารณาให้ตรหนักในอสุภกรรมฐานพิจารณาขึ้นความตายพอตายเสร็จแล้วเ็มือนพิจารณาถึงร่างกายสังขารของเรามีอะไรบ้าง ในเมื่อเราพิจารณาเห็นอยู่ในเรื่องเหล่านี้อยู่นะการ ม, มักจิเลสหรือการมะลาคะอันไหนก็ตามที่มัน เ, นเกิดขึ้นเนี่ยอย่างที่เขาลงข่าวกันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาได้ไหมมันเกิดขึ้นมาไม่ได้ในเมื่อมันไม่เกิดถ้ามันไม่ได้พิจารณามันเป็นได้ทั้งนั้นหนละไม่ว่าอยู่บ้านไม่ว่าอยู่ป่าไม่ว่าอยู่นักสถานที่ใด พนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านเราเป็นพระกรรมฐานให้สํารวมให้ระวังแต่เขาทําผิดเราจะไปประนามทีเดียวก็ไม่ได้ให้มองตอนเองมองเราถ้าเราทําอย่างนั้นมันก็เสียหายอย่างนั้น่อถ้าใครก็ตามถ้าทําอย่างนั้นคือเสียหายถ้ามันผิดก็ต้องว่าตามผิดจะว่าถูกได้ยังไงมันผิดเราก็ต้องจัดการมันผิด ผิดพระวินัยเกี่ยวกับการเงินก็ตับก็ต้องมันผิดก็ต้องจัดการเรื่องเรื่องให้มันผิดเพราะมันไม่อยู่ในในจุดนั้นไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยเพราะนั้นเรื่องผิดเรื่องถูกหลักธรรมวินัยมีอยู่แล้วทั้งโลกมีกฎหมายใครผิดในกฎหมายพูดตามเรื่องกฎหมายแต่บางท่านบางคนผมก็เคยได้ยิน บอกโอท่านมีธรรมแล้วท่านจะทําอะไรก็ได้ท่านมีธรรมในใจเหนือกว่าเรื่องกฎระเบียบท่านจะพูดจะทําอะไรก็ได้เพราะท่านมีธรรมผมฟังดูแล้วมันขวางในหูของผมถ้าคนมีธรรมแล้วจะต้องถูกตามหลักพระธรรมวินยัยอันไหนคนถ้าคนมีธรรมแล้วในมีธรรมในใจแล้วะอันไหนควรไม่ควรจะไม่รู้เหรอ ถ้าว่าคนไม่มีธรรมท่านนั่นแหละทำแบบกิเลสออกหน้าทำรรแบบเผลอสติลืมสติอันไหนควรไม่ควรก็ไม่รู้นะแสดงว่าไม่มีธรรมถ้ามีธรรมในใจแล้วควรจะรู้ว่าอันไหนควรไม่ควรอย่างไรนี่แหละถ้าคนมีธรรมผมว่ามีสติมีมหาสติมีมหาปัญญาอยู่ในจิตในใจแล้วพระละหันจะไม่ทําความชั่วฮะ ความชั่วเสียหายพระพระหารจะไม่ทำมีตวปตุชนเท่านั้นนะทำสิ่งที่ไม่ควรทำถ้าเป็นผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นแล้ว น, ะนั่นละหมดหมดจดจากกิเลสแล้วไม่ทำแล้วในสิ่งที่มันเสียหายทำทำไมในเมื่อท่านรู้แล้วท่านก็จุด เ, เ, เครื่องเหล่านั้นมนเป็นเรื่องของหยาบามันไม่ใช่เรื่องหลักธรรมใด เพราะนั้นเสียงเราทั้งทั้งหลายทั้งปวงถึงจะเราม่ถึงจะไม่ได้เป็นพระรหันต์ก็เถอะนะ เ, เราก็ต้องมองดูกระจกเงาหลักธรรมวินัยหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าหลักธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำสั่งสอนอย่างไรอย่างหลวงปู่มั่นท่านก็บอกว่าขอนยูงขอนยางาผงตลีใหญ่ใหญ่มันไม่เข้าตาเรานะ ผลผงทุเรียนเล็กๆน้อยๆนี่ยนะสินอภิสมาจาร์เนี่ยนะหรืออาบัตเล็กน้อยนะท aj right. ี่มันจะเข้าตาของเรามันจะเข้ามาปิดบังใจของเราทำให้จิตใจของเราเมื่อดบอดหมองมัวจากคุณธรรมจิตใจของเราจะไม่สดชื่นแจ่มใสมองไม่เห็นธรรมเพราะอะไรเพราะเราทำอาบัตเล็กน้อยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย เป็นผงธุลีเข้ามาสู่จิตใจเพราะนั้นจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามถ้าหากว่าผิดของผิดเ ล, เล็กๆน้อยๆให้พวกเราสำรวมระวังอย่าไปทําในเรื่องนั้นๆให้ระวังศีลและวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้แล้วท่านป้องกันไม่ให้จิตใจของเราเศร้าหมองทําให้ทําให้จิตใจของเราขุนมัวให้มองเห็นสัจธรรม ถ้าเราเป็นผู้มีศีลแล้วศีลของเราดีแล้วเราจะประพฤติปฏิบัติยังไงเราก็ไม่จะทกสะท้านหวั่นไหวเข้าไปชุมชนกลุม่มใดเราก็เชื่อมั่นในตัวของเราว่าข้าไม่ได้ทำความชั่วช้าเสียหายไม่ได้ทำผิดต่อหลักพระธรรมวินยัยไม่ได้ผิดตำต่อกฎอะไรกล้าพูดกล้าแสดงกล้าแสดงความคิดเห็นถ้าจะแสดงนะถ้าไม่แสดงก็ออปิดปาก ก็มั่นใจในการเป็นอยู่มองเข้ามาในใจของเราเราเป็นผู้มีสินมีสินถ้าคนมีสินก็ตรงต่อไปก็มีธรรมมีธรรมในใจคุณธรรมจะเกิดขึ้นในใจของคนผู้มีผู้มีสินถ้าว่าคนที่ทุศสินแล้วจะมีคุณธรรมได้อย่างไรเพราะอะไรเพราะมีไม่มีกฎไม่มีระเบียบจะเป็นผู้มีคุณธรรมได้อย่างไร แต่ผู้มีศีลและต้องมีมีธรรมมีคุณธรรมในจิตใจถ้าเมื่อมีคุณธรรมในจิตใจจะน่าจะใช้ปัญญาการกรองไตรตรองเหตุและผลเรื่องราวต่างๆก็จะเป็นเหตุเป็นผลเป็นศีล เ, เป็นธรรมร่มเย็นเป็นสุขท่วนหน้ากันผลใี่สุดชําระกิเลสก็เรื่องเนี้ยแหละเรื่องศีลเรื่องสมาธิในเรื่องปัญญาเนี่ย จากนั้นก็นเนี่ยไหลไปสู่ปัญญาปัญญากัพิจารณากานกลองไตรตรองเรื่องไหนควรอันไหนไม่ควรอันไหนผิดอันไหนถูกอันไหนเป็นธรรมอันไหนไม่เป็นธรรมใช้ปัญญาพิจารณาจากนั้นก็นใช้กระจกเงาคือพระธรรมำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าสวาตถาตัศน์สวาขาตธรรมท่านตรัสไว้ชอบแล้วคือธรรมของพระพุทธเจ้าออกมาสิ ออกมาเป็นกระจกเงาสิมันเข้ากันได้ไหมการทําเช่นนี้มันเข้ากับศีลห้าได้ไหมเข้ากับอธินนาทานไหมเข้ากับปาณาอธินากาเมมุสาได้ไหมเข้ากับสุราได้ไหมจากนั้นก่อนจากนั้นการปฏิบัติธรรมของเรามันเข้าในสติปัฏฐานสีได้ไหมเราเห็นอะไรเห็นใจรักอนิจจังทุกขังอนัตตาใช่ไหม เป็นหัวน้ำมักแปดของพระพุทธเจ้าจะไม่สัมมาทิฐิที่พระพุทธเจ้าที่ตัดไว้เป็นอย่างไงถูกไหมมักแปดของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสเอาไวนะ้นี่แหละอันนี้ก็คือเมื่อเราปฏิบัติไปแล้วนะข้อธรรมของพระพุทธเจ้านั่นคือกระจกเงานะเป็นกระจกนําทางของพวกเราเราเดินไปยังไงเราก็ต้องดูทางดูแนวทางที่พระพุทธเจ้าที่ตัด ท่านตรัสไว้แล้วนั้นนี่แหละถ้าว่าพวกเรายึดตามแนวแถวแผนที่ที่พระพุทธเจ้าที่ท่านวางเอาไว้แล้วนั้นพวกเราจะถึงจะเดินถึงจุดหมายปลายทางเพรา ะ, ะนั้นของฝากไว้กับพวกเราทุกๆท่านนะให้หนักแน่นใน ห, หลักพระธรรมวินยัยอย่าไปออกนอกลู่นอกทางศิลและวินัยของพวกเรานะ227ให้มันศึกษา อ่านให้เข้าใจสินสองอยีิแล้วก็สินอภิสมาจารให้เราศึกษาในพระไตรปิฎกถามว่าผู้ใดเคยอ่านในพระไตรปิฎกวิทยุในมุกเล่มหนึ่งเล่มสองแล้วนะเราจะอ่านในพระวิทยในพระไตรปิฎกสำหรับประชาชนของที่วัดมกุฏที่ลงพิมพ์ มหามกุฏของท่านอะไรสิมหาอะไรสําหรับประชาชนหลวงพ่อเล่มนี้ผมอ่านเป็นประจําเลยนะเพราะมันย่นย่ออ่านเข้าใจเพราะเราได้อ่านส่วนใหญ่มาแล้วพออ่านเสร็จแล้วก็มาอ่านเล่มนี้เข้าไปแค่ว่าเป็นการทดทวนช่วยความจำเท่านั้นเองแต่เรื่องใหญ่เราได้อ่านอ่านผ่านผ่านผ่านมาแล้วศึกษามาแล้ว แต่พออ่านมัน ม, มันลืมมันหลงหลงเรื่องพอมาอ่านเล่มนี้เข้าไปเนี่ยพูดไม่ยาวพูดสั้นสั้นแต่เราเข้าใจความหมายได้ความหมายเป็นการทบทวนนี่แหละอันนี้เรื่องพระวินยัยเรื่องธรรมวินยัยเนี่ยพวกเราจะต้องศึกษาจะต้องจะปฏิบัติแต่เรื่องปฏิบัตินั้นมันอีกส่วนหนึ่งแต่เรื่องวินัยนั่นนะควรจะ อ่านควรจะศึกษาสําหรับพวกเราเป็นพระน้อยพระหนุ่มนะแล้วขอมีอะไรเกิดขึ้นหรือมีอะไรในหมู่ของพว ก, พวกเพื่อนก็ว่ากาวตักเตือนกันสอนกันบอกกันบอกกล่าวกันพวกเรามีหมู่ผู้มาหวังดีหาทางพ้นทุกข์ทั้งนั้นแหละไม่ใช่มาเพื่อหวังทิฐิมานะมีความแข็งกระด้างทะเลาะวิวาทกันไม่ใช่เราไม่ได้มุ่งหวังอย่างนั้น เข้ามาปฏิบัติมาสู่วัดวาศาสนาเนี่ยเหมือนกับมาตัดตัวพยองพองตัวกิเลสราคะโทสะโมหะเนี่ยออกจากจิตใจอย่างไรที่เป็นธรรมจึงในที่ถูกต้องจึงในที่เป็นหลักพระธรรมวินยัยจึงหนที่ใครว่ามันถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยเราเออนั่นฟังศึกษาแต่ท้งนี้ทางนั้น เราก็ไม่ใช่ว่าใครพูดอะไรก็เชื่อทั้งหมดไม่ใชเ่เราก็ต้องมีเหตุผลของเราอีกเหมือนกันเราก็ได้ศึกษาถึงไนที่มันไม่ถูกเราก็ทวงติงขึ้นมาได้เออข้อนี้มันจริงไหมผมได้อ่านได้ศึกษาดูแล้วมันเป็นอย่างงั้นนะ่าเรื่องนี้ไงถ้าเรารู้กว่าเราก็ต้องพร้อมที่จะชี้แจงให้ครูบาอาจารย์หมู่พวกเพื่อนได้ฟังได้เพราะเราทุกคนมามาเพื่อหวังดีฮ แต่ว่าตามไม่จริงเรื่องวินัยน ะ, ะกว้างความในระดับหนึ่งการเป็นอยู่แต่เรื่องหลักพระธรรมวินัยเรื่องวิเรื่องธรรมเนี่ยเรื่องธรรมจุดนี้นะไม่กว้างนะมันไหลไปลงทางเดียวแต่มันละเอียดอ่อนมากตัวเนี้อันนี้ต้องใส่ใจต้องสู้ต้องสู้ทุกๆแบบเราจะพิจารณาอะไรกายเวทนาจิตธรรม กายกัเพิจารณาร่างกายร่างกายก็คืออะไรลมหายใจเข้าหายใจออกนี่คือร่างกายนะกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกคือกําหนดกายเวลาก้าวภาวนาขาขวาพุทขาซ้ายโทอันนี้ก็คือกายเอากายเป็นผู้กําหนดหรือจะรู้กำหนดดูหัวใจเราเต้นตึกตึกตึกเนี่ยอันนี้ก็คือกําหนดกายมันอยู่ในกายอันนี้ว่ากายกายยานุปัสฐนา หรือเราจะกําหนดดูแพ่งดูกระดูกของเราดูกระดูกของเราทุกข้อนับดูซิกระดูกของเราสามร้อยท่อนมันอยู่ที่ไหนบ้างอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยกำหนดดูกระโหลกศีซิสไล่ลงไปจนถึงฝ่าเท้าเราดูกระดูกอันนี้เราคือกายเวทนาก็คือความเจ็บปวดเวลาเรานั่งขึ้นมาเจ็บปวดบ้างหิวกระหายบ้างร้อนบาน้างหนาวบ้าง ที่มันเกิดขึ้นมาในร่างกายใจของเราก็ให้รู้ว่านี่คือเวทนาเวทนาน่ยมีสองนะเวทนากายเวท น, นาใจเวทนากายก็คือการเจ็บปวดเวทนาใจก็คือมีสิ่งที่มากระทบใจใจเป็นทุกข์ใจเป็นสุขใจเป็นทุกข์ระวัต ส, สุขเวทนาถ้าใจเป็นทุกขระวัตทุกข์เวทนาใจของเราเป็นทุกข อันนี้เวทนาเมีสองกายกายคือร่างกายเวทนาคือความเสวยเรื่องความรับรู้าทางกายทางทางกายของเราด้วยทางใจของเราด้วยนะ เ, เวทน า, าจิตจิตตานะจิตตาคือความรู้สึกนึกคิดเดี๋ยวนี้เราคิดเรื่องอะไรให้ดูตามดูจิตว่าใจจิตของเราเนะี่ยไปคล้องแวะในเรื่องอะไร ไปคล้องแวะในเรื่องของกิเลสราคาเราคิดคำหนึงขึงราคาใช่ไหมเรือเราคิดถึงโทสะโมโหให้เขาอยู่อย่างนั้นใช่ไหมหรือว่าหลงคิดว่าตัวเองจะไม่ตายตายไม่เป็นมันล่มหลงในร่างกายว่าข้าเนี่ยจะต้องจเจริญรุ่งเรืองไปข้างหน้าแน่นอนไม่ตายไม่เป็นหรอกอย่างงั้นใช่ไหมมันเป็นยังไงใจของเราคิดเรื่องอะไรในขณะนี้ดูตามดูใจของเรา ใจของเราคิดไปในทางไหนไปทางกิเลสหรือเป็นทางธรรมถ้าไปทางธรรมก่อนเออใจของเราเนี่ยอย่าไปลุ่มหลงในเรื่องต่างๆน ะ, เ, ะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราควรจะปล่อยวางที่จิตใจของเราไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่น เ, เราจะไปดูทั้งโลกไปอยู่ไปเพื่ออะไรมันได้อะไรกินทุกวันถ่ายทุกวันมันได้อะไรฮใจดูซิ การเป็นอยู่ของเราเหมาะสมเราเป็นที่พอใจในอย่างใจอันนี้ว่าจิตาตานุปััสนาสติปัฏฐานทำ ม, มานุภาพสติปัฏฐานก็คือดัมมาทำมาร ม, รรมที่มากระทบใจสิ่งไหนที่มากระทบกระทบใจของเราสิ่งที่ดีเรียกว่ากุศลสิ่งที่มันชั่วเรียกว่าอากุศลที่มากระทบจิตใจในเมื่อสิ่งทั้งสองอย่างมากระทบเนี่ยใจของเราเป็นยังไง เพื่อมั้ยสุขไหมทุกไหม อ, อมันเป็นยังไงอันนี้วัดธรรมารมณ์กายเวทนาจิตธรรมคำว่าธรรมข้อนี่ก็คือธรรมารมณ์ที่มากระทบมากระทบเข้ามาสู่จิตใจเหมือนกับท่านเปรียบเทียบหลวงตาท่านเปรียบเทียบพระเทระท่านหนึ่งท่านภาวนาท่านไปคล่องในจิตใจของท่านท่านจะขึ้นไปกลาบ พระพุทธเจ้าที่พระขันธกุฎีพอไปถึงใต้ถุนพระขันธกุฎีของพระพุทธเจ้าแล้วฝนตกพอฝนตกทีนี่ก็พระท่านองค์นั้นก็เลยเข้าไปยืนไปยืนอยู่ใต้ถุนพระขันธกุฎีของพระพุทธเจ้าเพราะฝนตกจึงขึ้นไม่ได้พอฝนตกลงมาน้ํามันหยดมาจากชายคาใช่ไหมมันตกจมลงไปถูกกับพื้น มันก็เกิดเปิดเป็นฟองขึ้นมาเป็นฟองแต่ตับจมเป็นฟองขึ้นมาแต่ตับจอมเป็นฟองขึ้นมาแต่ตับท่านก็เห็นนี่แหละคือทำรรมาหลมที่มากระทบใจพอมากระทบขีดใจแล้วมันใจก็รับรู้รับรู้ก็ปล่อยวางบางทีกว็วางไม่ลงวางวางนานหน่อยบางทีก็วางไปที่ไม่พอใจถ้าสิ่งที่ไม่มีอะไรก็วางเร็ว ถ้ามีอะไรก็วางช้าหน่อยเออมันจมมันมากระทบใจทีจนั้นท่านก็เห็นอื้มตัวนี้เป็นตัวอนิจจังไม่เที่ยงถ้ามายึดตัวนี้ก็เป็นทุกข์อีกอย่างเกาท่านก็ปล่อยวางตรงนั้นนะไม่ยึดมั่นถือมั่นท่านก็เลยเป็นพระอรหันต์เพราะท่านเห็นเห็นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาขณะที่น้ํามันหยดลงไปสู่อชายคาน่ะจมเป็นฟองขึ้นมาตับ แตกนท่านก็เห็นจุดนั้นแหะท่านก็สําเร็จเป็นพระอรหันต์ในขณะที่ยืนยืนดูในฟองน้ําท่านเพ่งเข้ามาหาดูใจของท่านเนี่ยว่าธรรมารมจากนัานท่านก็ไม่ได้ขึ้นไปกราบพระพุทธเจ้าเลยเพราะท่านสําเร็จแล้วสิ่งที่ท่านจะถามะจบแล้วไม่ต้องถามหมดแล้วจากนั้นพระองค์นั้นท่านก็กลับไปกุฏิของท่านอันนี้แหละคือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าบอกพวกเราทําทุกที่ถูกทางแล้วก็นั่นแหละมรรคผลนิพพานไม่อยู่ที่ไห น, นไม่ได้อยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่กับพวกเราทุกๆุกท่านนะวันนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านอย่างที่ว่าให้ฟังนะเรื่องความโลภเป็นยังไงให้ระลึกถึงความตายเรื่องราคะเป็นยังไงให้ดูอสุภะแล้วก็ให้พิจารณาอย่างไง ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะแต่ว่าพวกเราทำถูกทางแล้วนะมรรคผลนิพพานอยู่กับพวกเราท่านทั้งหลายนะการกล่าววันนี้ก็เห็นว่าสมควรนะตอ น, นี้ไปสวดท้ายปฏิโมกขนะที่นี้นะ